หายใจเข้าพุทหายใจออกโถยอันนี้ก็เป็นวิธีที่หลบอเลอรแแรกที่สุด่างนั้นมากบมาได้ทำวิธีสำมานะครับค่ายๆเหมือนกันนั่งหลับตาจนึกในใจเป็นบริกรรมในใจ นี่เรียกเป็นวิธีเดียวกันแต่คำพูดบริกรรมนั้นไม่เหมือนกันแต่นั่งนี่เหมือนกันตลอดดูลมหายใจเหมือนกันวันนี้ต่อมาก็มาทาวิธีนัดหนึ่งสองสามไปถึงสิบนัดจากสิบลงมาถึงหนึ่งนับจากหนึ่งก็ไปถึงยี่สิบนับจากยี่สิบลงมาถึงหนึ่งก็อันเดียวกันนั่งแบบนี้หายใจเข้าหนึ่ง นนเป็นวิธีที่ทามาเป็นวิธีที่ทําใา้หลวงพ่อติดปวกสงบอันนี้มาเป็นเวลานานปีพอสมควรจากนั้นมาหลวงพ่อได้มาทาวิธีของนุก จะนั่งลัตาเหมือนกันก็มาหายใจเข้าผองหายใจออกยุกท่านี้ก่อนเป็นวิธีเดียวกันตอนนี้จะมาดูลมหายใจเข้าสั้นออกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยวิธีเดียว น, นี่จะเพ่งแสงเขียนอะไรก็อันเดียวกันทั้งนั้นทำเป็นโมกติที่อาจารย์สอนหมือนอันเดียวกันทั้งหมดเลย เมื่อทำอันนี้มันได้กลสมสงบความสงบจะมีอยู่สองประเภทเ้วกักทั้งสองอย่างด้วยกันการศึกษาถ้าหากไม่รู้จริงแล้วมันเป็นพิษเป็นอันตรายแก่คนผู้ปฏิบัติามนน้นงกรที่จะไปแนะนำคนอื่นนั้นต้องรับประกันตัวเองและคนอื่นก็ต้องทำได้เพราะมันมีในคนเนี่ย อย่งนั้นวิธีที่จะนํามาเล่าสู่ฟังในวันนี้ <c oughs> ก็วิธีที่อยากให้รู้สึกตัวอ่านวันนี้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งยังนั้นก็ได้นะอ่านบันนี้ทําอย่างนี้วิธีนี้อยากสอนแต่วิธีเหล่านั้นไม่อยากสอนเพราะมันทําให้เราเสียเวลาท้านานมาแต่เมื่อคนอื่นไปทําเหมือนกันกับเราก็คนคนอื่นก็คงจะเสียเวลาเหมือนกันกับที่เราทาําเข้าใจไหง วิธีเนี่ยเป็นวิธีนั่งแบบนี้คนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งยอนเข้าก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้อา้าวเอามือขว้าเอามือสองสองมือเนี่ยวางไว้บนขาพลิกมือขวาตะแคงขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้สึกที่มันไ ห, ขนหวขึ้นยกมือขวขึ้นขึ้นตัวอยงนี้ให้มีความรู้สึก เอามือขวามาที่สะดื อ, อให้มีควารู้สึกโต้ทิศมือซ้ายตะแคงขึ้นให้มีควรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวให้มีควรู้สึกเอามือซ้ายเข้ามาทัดมือขว า, าให้มีควารู้สึกเลื่อนมือขวขึ้นหน้าอกเอาเตะไปที่ตรงนี้ให้มีควารู้สึกเอามือขวาขออกมาที่ตรงนี้ ตรงข้างให้มีคนรู้สึกลดมือขวาลงที่ขาขวแตะแคงไว้ให้มีคนรู้สึกขวามือขวาลงที่ขาขวให้มีความรู้สึกเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้ากให้มควรู้สึกเอามือซ้ายออกมาที่ตรงข้างให้คนรู้สึกลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีคนรู้สึกขวามือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีคนรู้สึก ความรู้สึกอันนี้เข้าใจว่ามันไปนแก้ปัญหาสักวงมไม่รู้เมื่อมันง่วงนอนทํานานๆวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องง่วงนอนทิปมือขวาเครื่องแะแขนมาข้างขวให้มีความรู้สึกยกมือขวขึ้นมาอย่างนี้เป็นคนเอามือขวมาที่ตรงหน้าเราเลยเอามือัวเข้ามาที่หน้าปกต่ำจุกต่ำชนอะไรพวกอย่างนี้ก็ได้ ชิมือซ้ายขึ้นตะแครงและขาซา ย, ยกมือซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายมาตรงที่หน้าชิดเข้ามากับมือขวายกมือทั้งสองขึ้นบนคิวเอาลงมาที่ยะหน้าออกตางเดินเอามือขวาเอาอตรงข้างลดมือขวาลงที่ขาหัวาตะแกรงไว้ขวามือขวาลงที่ขาววขาวา เอามือซ้ายออกตอนค้างลดมือซ้ายโดยทขาซ้ายตะแคงไว้พราะว่ามือซ้ายโดยทขาซ้ายอันนี้เป็นวิธีแก้ง่วงนอนเมื่อเป็นง่วงนอนมามากขาวิถีลุกขึ้นทิ้มือหัวตะแคงขึ้นยกมือขวาขึ้นตัวเอามือขวงมาที่กระดูเลื่อนมือซ้ายตะแคงขึ้นยกมือต้ายขึ้นขึ้นตัว เอามือซ้ายสมาทนมานมือขวาแบบนี้ก็ต้องหาวิธีจากเทปออกขานั่งขัดสมาธิอย่างนี้นะเอาแขนลงมาขาซ้ายนี่เพราะขาเบืนี้มันอยู่บนเทปขาซ้ายออกมาอย่างนี้กระจายเอาไว้ก่อนเอาขาซ้ายเข้ามาครับตั้งตัวตั้งตัวนั่งเข้ามาได้ที่เดิมอ้อมลง ยกคตูดขึ้นอย่างนี้อเอาขาออกมาทิศตูดตรงออกมาทีละขาเลื่อนขานี้เข้ามานั่งลงยกขาหัวขึ้นยกขาท้ายขึ้นขันมาอย่างนี้ลุกยืนเลื่อนมือหัวขึ้นหน้าห อ, อกเอามือหัวออตรงข้าง ลดมือขวาที่ขาหัวแทบไรขาหัวเลยพ่วงมือขวาลงที่ขาหัวแทบไรเลือนมือซ้ายขึ้นหน้าเลยเอามือซ้ายมาที่ตรงข้าลดมือซ้ายเทียบเลยขาเ้าพ่วงเข้ามาที่ขาซ้ายพลิกมือขวาตะแคงขึ้นเหมือนเดินยกขึ้นเอามาตะเดินพลิกมือซ้ายยกขึ้นเอามาตะเดิ ทำความรู้สึกอันนี้แหละเมื่อยืนเหนื่อยแล้วกบบเดิินทำความรู้สึกเมื่อมีเสียงมาเราก็ได้ยินเห็นคนมาก็มองได้เดินไปเดินเดินเดินไปแล้วแบบเดนในทิาทำความจังหวะยังไงลงมาหยุดเดิน เดินมือซ า, ย, อ ย, ายืนทํานั่งทํานอนทําอันเดียวกันเวลาเดินไม่ต้องทําอย่างนี้เอามือมากอดที่หน้า อ, อกนี้ทำไมทำไมเดินเดินเนี่ยต้องไม่ทันไหวให้เป็นอารมณ์เดียวยไม่ใช่ยกต้นหนอไปเลยหนออย่างนี้ไม่ออกนั่นตัดแล้วเ่ยวิธีเหล่านั้นมันติดอยู่เนื่องด้วยหัยวใจเรบ มันเลยไม่เกิดปัญญาทำอย่างนี้รักรลอกว่าใครทําเกิดปัญญาทั้งนั้นมันนิ่นั่งลงนั่งลงเอาเข้าหัวลงเข้าท้ายลงยืนพึ่เ น, นี่ยยืนเขา่าเอาขาเข้ามาท้างนันพัดล ง, ล ง, น, ง, ลงนัลับอย่งนี้มันเป็นการเจริญสติ พิธีเหล่านี้มันเป็นการเจริญสติเราต้องมองให้เห็นอะไรผ่านหน้าเราให้เห็ที่เรานั่งหลับตานันมองไม่เห็นที่เรานั่งหลับตาดมองไม่เห็นถ้ามีคนมาตีเราหรือเรามีของวางที่ตรงหน้าเราของก็หายคนมีปัญญาฝังได้ทันทีถ้าเรานั่งหลับตาอย่างเนี้จับภาวนาพูดโกก็ได้หรือสัมมาอนระหังพองนุก นักหนึ่งสองสา ม, า, า, มาณาจารย์ปฏิปตอเอาของวางไว้ถึงหน้านี่ขั้งหนึ่งมีคนจังอุดรเขาทำงานไฟฟ้าแรงสูงเขาเคยไปทำนี่ว่าทำทรรมา ก, กายอเไยนั่งหลับตายเขาว่าทำดูที่โยมเขาก็ทำให้ดูวันนั้นเขามีกระจกตา แล้วองจา้โยนทำดีเอากระจกตามาวางที่ตรงหน้านี่เขาก็เอากระจกตาเขาออกมาวางที่ตรงหน้าพอดีเขานั่งอย่างนี้เขานั่งอย่างที่อาตมานั่งนั่งนี่แหละเขานั่งางนี้พอดีเขานั่งหลับตาตัวอาตมาเขาจับกระจกตาเขาทันทีเอากระจกตาเขานี้ไปไว้ที่อื่นอย่างพอต้นคนจะโยมลืมตาดูที่เขาก็ลืมตาขึกระจกตาหายไปไหนเขาบอกไม่ทราบ แล้นมันขาดทุนหรือมันได้กำไรคุณเรียนเรื่งถือตั้งไหนเขาก็บอกเขาเรียนจบปริญญาคุณจบปริญญาแล้วทำไหมจะไม่มีปัญญาขนาดนี้ปริญญาเนี่ยเขาบอกชั้นปัญญาแล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญ า, าเอกเนี่ยคุณเข้าใจไหมสอนให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับแล้วคุณทำไมจะไปหลักฐามีปัญญาทำไมวันนี้เอากระจกตาให้เขาแล้คุณนั่งดูกระจกตาคุณที่เขากำังมองอยู่ มันมาเอนี้เข้าไปจับกับจุดตาเห็นไหมเห็นเนี่ยคุณเห็นกับคุณไม่เห็นอะไรจะมีราคาเท่าไหอันมองเห็นนี่ดีครับคุณก็เข้าใจระเบียนปริยาพวกท่านทั้งหลายที่ผมเล่นกันเนี่ยปริยามากมันมาเขาจะพวกนี้ต้องมีปริยาปริยาตรีปริญาโทรปริยาเองปริยานี่เขาบ่าสั้นปัญญาชนไม่ใช่เป็นปัญญาของกุฏุสุนทุสุนเขว่าคนข่าวปัญญาผู้มนา กูไม่เคยศึกษาอะไรทั้งหมดเลยในเป็นอดัง น, น, นั้นที่อาตมานำมาเล่าอย่างเนี้ยมองอย่างนี้ก็ได้โทษนะปลอดภัยบ้างนั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งอย่างนี้ทำอานีน้ได้ได้แต่ทางนัน้นรู้สึกนั่งอย่างนี้ก็ได้เยาะขาดเดียวก็ได้รู้สึกเจ็บไปเย็นที่ไหนถ้ามันรู้สึกเปี่ยนไแล้วการนั่งอย่างนี้นก็ได้มีเก้าอี้ เนื้อย่างนี่ก็ได้ไม่ผิดคูเลยอันเนี้ยคูไม่มีเลยคูมันมีแต่กรมขยันถ้าถ้าคนใดขี้เกียจแล้วแบบไม่ได้เลือกอย่างนี้ทําอย่างนี้เลยคูมันมีกรมขยันอันเนี้ยไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องหไองหว้อะไรเลยแบบนี้วิธีวิธีหนึ่งที่อรตมาวิธีไหว้แต่ไม่ได้ คงจะทําให้ดูไม่ได้เพราะว่าเจ็บท้องจะทำวิธีนโมตักกะให้รููนโมตักกะพระครวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสระนี่เป็นคําภาษาบาลีไม่เป็นภาษาไทยคนไทยได้ทุกคนเลยคําเนี้เด็กน้อยก็ได้ตัวของอรหันต์ได้ถึงเมื่อยังเรียกพูดเป็นกันพูดได้เลยนโมตักกะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสระดโดดน้ํา ไปโดดน้ำตามบุ่งตามนองบ้านต่อ ม, มันดิ้นไปน้ำโขงขึ้นต้นมากระโดดมากกับพูดนะโมตัตตะลงเลยโดกระโตกลงไป น, นะโ ม, มตัตตะโตมลงเลยเป็นนี้แต่ไม่รู้ว่านะโมตัาาตตะพระคัมภีรโตอะไรคโตตามมาตามรุษาไม่ต่อมาเมื่อมาบวชเต็มเนม็มท่านก็สอนแต่หล่งนะโมตัตตะพระคัมภีร์โตเโชคดีโชคดีท่าน อรหัตโตเนี่ยนโมตตะพระวัตโตนี่ยโยคดอรหัตโตเดี๋ยวผู้ให่จะตีเดสัมมาสัมพุทธะแปลว่ารู้เองเห็นเองต่อมามาได้ยินเจ้าคุณพุทธธาตแปลว่านโมตสะพระวัโตไปเอขอนุ น, อ น, น้อมอันนี้ก็ดีเดีอวกันคำเดียวว่าอีกแล้วติดแต่ว่านุน้อมกับโศกดีแต่โชกดีกับนุ น, น, น้อมมีนเป็นคำเดียวกันแต่พูดได้ไม่รู้วิธีเลยเรื่องนี้อัเ น, นี้อัตมาไม่รู้วิธีต่อไปเมื่อไปจเจริญสติแบบนี้แหละ แบบกเคลื่อนไหวอะไรีนน้มาคิดสะดุกใจที่ปาบเบนจักรประดิษฐ์ล้วก็ทำอย่างนี้รู้เรื่องรุดน้ำจบแล้วก็รู้ทันทีเรื่องนโมจักสารรู้จริงๆเรื่งเรื่องสมมุติมันเป็นสิ่งที่สมมุติหนึ่งพอดีบรรลุเรื่องนี้ก็นไปขับนางกาบคนเดียวอย่างเงี้ยนางอยู่ในห้องปาบอย่างนี้นเบนจักประดิษฐ์ที่เหียนจากภูบาจะเลียนเลียนกับเหียนอันเดียวกัน บ้านของสมัวันเฮียนมันเึ็นเลาะเป็นพอนุผู้ทางนี้ดิวันเรียนนั่งจากนี่และนานๆดูตัวเองโทษนะถ้าตดกระดังแรงๆทีเดียวโอ้โหเนี่ยเป็นจักขาประดิษฐ์แบบนี้ใ ไ, ได้ไหมไม่ได้<ม>ก็เลยมาทำอย่างนี้กัน ทำคนเดียวนั่งมันนานทำเป็เบนจังขปะดิษฐ์เี่ยอบเ็นจะไปองค์ห้าอมันทำยังไงกันนี่มันเอาอย่างนี้อนเี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงกันเนี่ทำยังนี้สลับดูตัวเองเนี่ย มันก็ได้เหมือนกันอันนั้นเบนจะขับดิดแบบที่ตำลาสอนปู่ย่าตายายสอนแบบนี้เนี่ยให้ให้อันนี้มาตูกันเลยบอกอันนี้มาตุอันนี้หัวมา น, นี่คระบอกองค์ห้าเต่ควรจริงมันถูกตำลาไม่ได้ฝึกหัดมาเลยได้ฝึกหัดกับอาจารย์ตอนนี้เอาแบบนี้เลย บ, บัดนี้ อ, นนองค์ห้าคือองค์ที่หนึ่ง อง์ที่สองคงที่สามองที่สี่อ ง, สองที่ห้าเบ็นจังคับปฏิจมีห้าจังหวะด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้ามันพูด ก, กับนโมตัตตาพระครรวาตแวไปว่าข อ, โ, อโน้นน้อมน่น้อมเนี่ยมันพูด ก, กันได้จังหวะอ๋อเนี่ก็ดีแล้วก็ฝุดทดลองดูพวกเราก็ควรทีดด่จะสุดไม่ใช่จะเป็นคําพูดคําสอนของเขาเนี่เป็นคําสอนสอนให้ทําไม่ใช่สอนให้พูดสอนให้ทํา มันไปเข้ากับหลักเรียบทั้งนั้นที่จะว่ารับรองได้วิธีในี้ใครกะทาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทำได้ทั้งนั้นไม่ผิดครูเลยครูมันผิดคือขี้เกียจเท่านั้นเองมันผิดคนขี้เกียจเดียวไม่อยากทำเพราะว่ากลัวกลัวจะมันจะเกิดปัญญากลัวจะไม้ทุกข์คนมันชอบทุกข์แต่มันไม่รู้ทุกข์มันก็เลยจำเป็นเอาทุกข์เป็นเจ้าเยือนมามเป็นน้น เมื่อทําอย่างนี้แหละมันเกิดกลัวเข้าใจว่าทุกคนทําได้ถือศาสนาไหนเขได้ขอให้จะพูดแล้วฟังกันเป็นรู้เรื่องทํากันเท่านั้นจังหวะฝึกคนที่พูดภาษาเขานี่เป็นเราทำให้ดูทําให้ดูมันไม่เข้าใจกว่าจําเป็นต้องจับมือมันเยทําทให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังบางคนทําอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลย ถ้าคนในมันยากยาก่อทํามีวิธีหลายเรื่องที่ทําให้ดูวิธีทําอย่างนี้แปลว่าขยันอีกพักนึงจิกมือยกมือนี่เอามาที่นี้ให้มันหยุดจิงจิงเอามาทีนี้อีกพักนึงนี่แปลว่าให้มันที่เขา้าจังหวะมันที่เขายินงดีเนี่ยเอามานี่ยกมานี่เอามาไว้ทีนี้เอามานี่มันก็นรู้สึกตัวเรยว่ามานี่ มันเป็นพักเป็นพักเหมือกับโซ่ออกกันจริงๆมันมีสติเมื่อสติสมบูรณ์แล้วปัญญามันดีแล้วอย่างปัญญาปาละมีมันไม่ต้องไปตรงกับตำราละเนื่องตำราเนี้ยก็เป็นคนอินเดียพูดกันเราเป็นคนไทยทําเอาเองปัญญาปาละมีไม่ใช่ว่าสร้างสร้างนี้สร้างาาานั่นที่เอา หรือว่าสร้างมาหลายกัดหลายคำเแล้วคันนั้นเอาไว้ก่อนมาสร้างปรามีพวกนี้เนี่ยมันรู้ตาะละเดี๋ยวพรมีแล้วปัญญาที่จะรู้มันมีแล้วอยู่ไหนมันมีแล้วคือว่สติคนละเล็กได้สามตาชนยะพรมรู้ตัวคำเดียวกันทั้งนั้นทีนี้คนละาอายกออากเกิดใจโอตปาบคงเก่งโกตบับก็คำเดียวกันนี่เองบาปคือควมไม่รู้ผู้ตนเตนยบุ ญ, บ, ญบุญคือคนรู้แจ้ง รู้แจ้งแล้วใครจะว่ายัางไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นยังไรเรื่องทุกมันอยู่ที่เราเองไม่ใช่ว่าคนอื่นจามาให้เราไม่ได้คือเราเข้าใจผิดพุทธศาสนาสอนสอนระดับนี้สอนให้คนมีปัญญาพวกคุณนี่เรียนหนังสือทําการทํางานเนี่อย่างที่เห็นเห็นกันที่นี่มีแต่ข้าราชการทํางานสิ้นภู ทำงานข้าราช ก, การคนเลือนทำงานที่บริษัทห้างร้านที่ไหนก็เต็มจะเราคนจป็นจนวนมากเนี่ยจบปริญญาแล้วก็ต้องทําได้ยังหลวงพ่อนี่ไปทําไม่ได้ถ้าไปเขียนหังสือไม่เป็นจะทําทได้ทําไมแต่เลือกวิธีนี้เอารับรองทําได้สอนได้จริงๆอันนั้นมันเป็นวิธีควรรู้ประดับทางโลกมันไม่แก้ทุกวิธีที่หลวงพ่อนํามาพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องประดับทางโลกมันเป็นวิธีแก้ทุกทางใจ คนตายเนี่ยมันสอนไม่ได้สอนคนเป็นาการพูดจย่างนี้อยากให้ตายด้วยไม่ใช่อย่างนั้นคือสอนคนเป็นคนตายแล้วมันไม่เหน่งไม่จตีงมันสอนไม่ได้จึงว่าไม่เอานิทธานจากหลานตายเดียวเอาเดียวนี้ให้มันรู้เดียวนี้นิพพานมันมีอยู่แล้วจังหวะสอน น, นิพพานสอนให้คนได้เดียวนี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วจะเอานิพานอย่างที่พูดแล้วเมื่อตอนนี้โอ้นันหนึ่ง ม, มันเข้าใจผิด ดังนั้นคนไทยทุกทุกท่านอยากให้ศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงจริงศาสนาทุกศาสนาเนี่ยดีทั้งนั้นสอนเรื่องให้ทานสอนรักษาศีลไม่รู้ให้ทานก็ให้เงินให้ข้าวให้อาหารบ้านอาตมาเนี่ยพูดคนจริงเนี่ยตักบาตรทุกวันให้อาหารพระทุกเช้าตอนเช้ากลางวันให้ทุกวันได้บุญไม่รู้ว่บุญอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆ ทำมาอย่างนั้ น, น่ยตัวเอ็นทะักสาสิงต่อความไม่รู้ว่าสิงสิงแปกเนี่ยรักษามาตั้งแต่เมื่ามาเป็นหนมไม่รู้เลยสิงคืออะไรยังมากก็เป็นนั่งหลักกาอย่างนี้แหละภาวนาพุทโธพุทโธนะไอ้นี่แหละพุทโธเป็นผู้ลุกผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไปเว้าแล้วเรายัางไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานกันเราไปเว้าแล้วแต่มันมันก็ดีแต่ไม่ใช่นันไม่ดีอันนั้นมันไม่ถูกต้องตามวิธีนี้ วิธีนี้เราคิดดูที่ทําไมทุกคนต้องทำได้มองเห็นนักที่ดูกันมองเห็นหนมองเห็นมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสียงก็ได้ยินเห็นตาก็เห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกวิ ป, ปวัสนาเป็นวารู้แจ้งรู้จริงวิปัสนาเป็นวารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงต่างเก่ากันทีต่างเก่าต่างไม่ต่า ง, างไปตีคนใหม่ใหม่กัน แต่ก่อนเคยพูดอย่างนั้นดัชนีแม่ปุณละหยดตามแล้วเคยคิดเล่าหเหมือเลิกเล้าเคยไปที่กํางคือเลิกเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นมันเป็นที่เป็นภัยแก่ตัวเราเคยทํายังไงเลิกเลยหยดตามเขาล้วงผ่ามว่าดึมล้วงผ่ามว่าจักกวามเป็นผู้ผู้สนเคลื่อนมาถูก่ควงเป็นอาญาบุคคลทุกคนเศร้าได้พูดให้ความเลิกละได้มาศึกษาตัวเองเงี่บุญมากที่สุดคือรู้นี่เองไม่เจะไม่รู้ มันรู้มันคาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเราเมันดีแล้วแต่ว่าท่านไม่รู้ท่านก็สอนอย่างนั้นเนี่ยท่านรู้อย่างนั้นท่าก็สอนอย่างนั้นวยวาาศาสตร์สนาเดี๋ยาคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสตร์ศาสนาจีวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุญบางด้วยคำมันสองคำมันยแยกกันพุทธศาสนากับาศาสนาที่ว่ามันคนหน้าคันโคตรซ้าเนี่ยจะมากระลุกให้ฟังเมื่อพระเจ้าตารัสรู้ การทําทางจิตจินข้าวนางสุส ธ, ธรรมาแลกกับมานางังแกคางนี้มาจึงเป็นพุทธศาสนาหลังนั่นไปเป็นศาสนาธรรมดาศาสนาพราหเมื่อพระเจ้ารู้แล้วไปสอนพวกกันจ้าทีทั้งห้านี่เลยได้รุกทิศห้าคนนี่เนี่แล้วก็ทําความเข้าใจจากพวกห้าคนไปสอนกันอันนี้คนไทยเนี่ยพวกกันจริงจริงเลยคนตั้งสี่สิบกว่าณคนถ้าจะรู้คนมกลืนจากเนี่ยไม่ถึงพันคนยังไม่ถึงพันคน จริงๆถ้าคนไทยรู้ถึงพันคุ์แล้ว เ, เมืองไทยเนี่ยเขา้าใจว่าเป็นต้นดอกไม้ชนิด ท, ที่อะไรไม่เปียกเปียกไม่ได้ดอกไม้ดอกนี้เนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ที่มามาจากกระสอต้นดอกไม้ดอกนี้ทุกธาตุทุกภาษ า, าต้องการขมแล้วคือมีธรรมะให้ขามาชมธรรมะเป็นดอกไม้แมงเพื่มเมียงผูกหรือแมงอะไรก็ตามมันจะเหมือนกับกระสอดอกไม้ ที่แมงวันก็ตอมแต่ว่าแมงวันมันไม่ค่ชอบเท่าไหร่มันจะชอบของเน้าของเน็นที่ที่ไหนมันเน็นขยะหรือของเนา้าของเน็นแมงวันมันชอบคล้ายๆคือว่าพูดกันตรงไปตรงมาพูดคนจริงให้ฝังไม่เอาเนี่ยคันหลอกแล้วเอาทันทีเนี่ยมันคล้ายๆเป็นอย่างนั้นคนไทยเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาลองพวกเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยรู้อย่างนี้สอนอย่างนี้เอาวทุกศาสทุกภาษาต้องมาถัมผักไม่มากก็ น, น้อย เมื่อสัมผัดแล้วเหมือนสําเนยเพิ่มมันจะเอาไปสอนดอกไม้ีไปบ้านมันไปรังมันนี่เมืองไทยก็ต้องสวยสวย ท, ทันทีไม่ถึงสิบปีละนับรองว่าไม่ถึงสิบปีเอา้าให้เวลาระยนะจากห้าปีสัก้าปีห้าปีทีม่มีทกจังหวัดเนี้ยเมื่อทุกจังหวัดคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามากรุงเทพถามเลยให้ผมคิดเลยเขาจะออดไปตามจังหวัดให้เลย ไปจังหวัดไหนต้องพูดทำมาให้สั่งโดยปัญหาที่แก้ทุกได้ทุกฟาทุกภ า, ามันโคบเดีย๋ยวนี้เกิดสงครามวุ่นวายสร้างอาวุธพุทธภัณฑ์หาเงินหาต่อหาแล้วมันพ้นทุกได้ไหมมันพ้นไม่ได้อันนี้ก็ต้องไม่ใจหวังห้ามไม่ได้ห้ามแต่ให้ามารู้ว่าวิธีไม่มีทุกทํำยังไงทำอย่างนี้เนี่ยจะเริ่อสติเนี่ยสติคนเลึกได้สังปาร์ตินะรมรู้ตัว มันพูดคำพูดอะนั่นต้องทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังทําให้ดูอย่างนี้อยู่ให้เห็นนั่งสบายอย่างนี้ใครมาก็เห็นพูดให้ฟังจิตใจของคนทุกคนมันไม่ทุกขที่มันทุกข์นั่นกิเลสมันตกหน้าเอาพูดอย่างนี้เขาเอ๊ะกิเลสอยู่ที่ไหนคุณเคยโกรธไหมเคยโกรธเดีย๋ยวนี้โกรธอยู่ที่ไหนไม่มีเนี่ยลับชณนะโกรโกรธที่มันไม่มี มีขึ้นในหลักษณะที่เราหลงตัวเราหรือตัวเราหลงกับเรื่องจะเป็นคำวมาคำหลงมีโอกาสที่จะพบได้เลื่อนไม่มีโอกาสหลงพ่อหลงตัวมาหลงมาตั้งแต่รอดท่อแม่มาน่ะหลงมาประวัตมันมาทําอ่นี้มันหลงเลื่อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาถึงอายุสิบเอดปีอายุสิบเอ็ดปีขึ้นมาถึงสี่สิบหกปีนี่ยหลงพราะหาอยู่ที่ไหนมันพราะหา อายุ40หรือ60มันเอาไม่หลงไม่ลืมเลยตื่นตัวอยู่เสมอหลงกับลืมจะเป็นผนละคำให้ตัวกเราก็จะหลงมีโอกาสมีเวลาที่จะพบได้ทําไมเพราเราสแสวงหาไม่หยุดเราหาเอาจนพบจนเจอแต่เราหลงเรานอนเฉยหลักใาเ น, นียนันเรีลืมตัวไม่มีโอกาสไม่มีเวลาตายเป่าเลยขาดทุนเลยหลงกับลืมจีบมันติบกันถห้เขาจะลืมตัว ลืมตัวไม่สนใจตัวเองไปเฮ็้อะไรไม่นี่มันเป็นไงลืมตัวมาตั้งแต่รอดทองแมงมาถึงสิบเอ็ดปีลืมไม่รู้หลงแต่อายุสิบเอ็ดปีขึ้นมาถึงสี่สิบหกปีหลงสี่สิบหกปีมานี่ไม่หลงไม่ลืมเนี่ยเขาเนี่ยรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดใครจะพูดยังไงก็ตามไม่เชื่อฟังเลยถ้าสูตรพูดมาหรือพูความพูดมาถึงเชื่อเชื่อเชื่อทำไม ทำใจท่าทสอนให้เราแก้ปัญหาตัวเราพวกเรามาเจริญสติทีติภายภาอยู่กันดี ก, กนนว่าเราหลงยังไม่ลืมแล้วยังสนใจยุ่งยังไม่เจอก็ต้องหาเจอครบนับรองว่าใครทําอย่างนี้มนนยมันจะหลงน้อยคนหลงมันหมดไปหมดไ ป, ม, ดไปมันไปนี่หลักเกับนี่มันวิธตรงนี้อยากเข้าใจตามตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นได้อ่านดูแล้วว่าปักบาทขั้นนังตอนเท้าเนี่ยมีอันนี้สง ก, กับ มีอันนี้สอง ก, กับไปให้จังหารพระตอนเช้าเอาเป็นโตไปให้ตอนเช้าให้ทายให้เนินมีอันนี้สงห้า ก, กับเอาไปให้ตอนกลางวานันมีอนนี้สงสี่กับ้องได้จำได้เป็นเนมนี่คเคยไปเทศให้คนฟังโอ้โหมันเข้าใจกันอย่างที่ไม่รู้กับลุกว่องลอยโยชลุกลอยโยร้อยปีของหนึ่งคนจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาที่ออกมาด็ดหนาไปทิ้งลงที่นั่นมันเต็ม เต ieme, plata, i, ็มต้南南 quasi, นย so ุ้มเต็มบ่อเต็มศาลนั่นคือเต็มกับมือทันไรหนังสือเขาบอกกันนั้นหนังสือบ้านพอดีว่าหนังสือหนังสือวันนี้ว่าัฒนสูงอ่ะเนี่ยกวงลอยยอดสูงลอยยอดเทวดาที่เอา้อยปีของเมืองคนไปเป็นปีที่ของเทวดาเทวดาที่เอาผ่าอ่อนอ๋อเนี่มันปัดด้วยไฟอ่อนมันปัดให้เขานันลาดลงห้าเพียงกันนล้เป็นหนึ่งกลับเลย ายากระพะกับป๋กกบองอยาอะไรเนี่ยยาการมองเนี่ยตอลอดปีนี้ไปเทิ่ยงไปปีแล้วไม่เตียเนี่ยก็ไม่เต็มไม่เต็มร้อยปีนะบันนี้เอากระโถนกระโถนหนึ่งใบเนี่ยเอาไปเที่ยทุกวันทุกวันจนตายเนี่ยก็ไม่เต็มมันไม่เต็มจริงๆมันเข้าใจผิดพวกลอยโยต์คือคนไม่รู้สึกตัวมันว่างอย่างนี้ทำอะไรไม่ดูตัวเองเนี่ยเขพวกลอยโยต์มันว่างแต่ว่าคนคาดสติ ตัวสติมีอยู่แล้วขาดใจคือไม่ามาต่อกันเลยนี่กล้วงอันนี้พอเด็กเท่มือรู้สึกตัวกลัวไม่รู้มันหายไปยกมารมรู้สึกนี่มันเต็มมันเต็มกับอันนี้คือรู้สึกตัวตลอดเลยมันเอาเนี่ยเจริญสตินะยาวเข้าไปแล้วจเจริญสติประชานสีนะให้รู้สึกกายเนวลิขิตนานะกายเพระว่วากายเอารื่อยาออกไปมันมาก ถาพูดที่เราจำมือลูกไหยรู้เหยียดมือลูกไหมรู้อันนี้มนมันรู้อันนี้นี่เองรู้อันนี้ไม่เคยรู้นะเนี่ยอ่านวนนี้คุณอาไป็นคุณวใจัยวจัำมือรู้ะรู้ไมรู้อ่าวันนี้อยากำนะเดก๋ยกาำมือลูกไหรู้เไม่รู้เห็นรู้มันมันสะกดประเลเราจำรู้เองเห็นไหมนี่คงรู้มันจะมีสองแบบรู้จำรู้จักรู้จำเห็น รู้จักจก็ไปเห็นกรรมนี่กกรกู้แจ้งคือเรากรรมเองกกรกู้เองคนอื่นกรรมเราจะรู้ทําไมเห็นรู้จำเน่ยรู้จักแต่ไม่มีาการรู้แจ้งเนี่ยเรากเองกก ร, กรู้แจ้งรู้จริงมันจะมีสี่รู้ดังนั้นระดับปาาัญญาของเราก็จะไปตามลําดับนั้นคือว่าสคู่แฝดรุ้เอศพละโตสาวกตคังโคนั่นแหละสงสาวกของพระวิภทธเจ้า ก, กลำลังพูดดีแล้วระดับแรกเป็นยังไงระดับแรกที่สุดที่มัน รูบรูบม้าเป็นเปลือกของมันฉะนั้นสาวนาทํำนาจนหมดอยากกินฟางอยากกินฟางอยากฟางไปทิม้มให้หัวให้กวยกินให้หัวให้ควายบังปลาดกหัวกวยหัวควายให้ก ว, วยกวยกินแล้วจะไปกินใครไปกินมันขาคอละตายกินข้าวสุกอย่าไปกินข้าวเปลือกกินข้าวเปลือกอมึเอาไปทําไมเอาไว้เสื้อมันหรือเอาให้มดกิน ให้ตัวไกลตัวเปรจรินกินไดจริงเข้าสารไม่ได้มีแต่มดกิ น, นคนต้องกินเข้าสุกสาวกุศลต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้เป็นจรกพี้มันอันนี้เป็นแป้ น, แนมันอันนี้เป็นใจกลางของมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าเราไปกอดเปลือกเราจะกอดจนตายแล้วไม่ได้เห็นนะเราจะเอาเปลือกมันนัไปปลูกบ้านเราไม่ได้เอาต้องเอาใจกลางมันไม่เป็นอย่างนั้นถี่พู้ธศาสนา ต, ต้องรู้จริงจริง ถ้าพวกเราเรียู้จริงๆอย่างนี้อ่ะถ้าถายได้ทุกคนแล้วอ้าวลับหล่อแ ม, ม่ถึงสองตีเลยพวบท่านเนี่ยจกคุณใจอะไรเนี่ยทํางานอะไรเนี่ยพอพ อ, อ, อเนี่ยร่างหน่มไม่ทราบข้าราการคนละ เ, ลเรียนครข้ารการคนละ เ, ลเรียนเนี่ยอาะจายก็ต้องไปเรีกนรู้ให้ทีเลยเย น, นี่ยมันเร็วๆเข้าไปเนี่ยครูโรงเรียนตอนี้ก็อยู่เนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยสอนสันงสุไกรขึ้นมาต้องกระจายกัเข้าไป นู่นกระจาเข้าไปเริ่มทำไทยเป็นกัะสอดอกไม้ที่ถูกไม่ใช่เป็นกระสอมันก็ได้ที่ว่าเป็นเป็นดอกที่บานี่ก็ได้หรือมันกำลังจูมอย่างนี้ก็ได้มันสมมุติพูดแล้วทุกคนจะมาชมมาโดนมันมันหอมธรรมะอันนี้มันหอมอย่างที่หลวงพ่อเนียเขียนยมือให้เป็นเขียนให้เป็นจริงๆเขียนนี่เขาหักเขียนหัอ่านเอาแล้วหลวงพ่อเป็นคนบันนอกพูดจะไม่ค้องตัวอย่างที่พูดให้โยนฟังให้ฟัง มาทีแรกพูดอยู่ที่วัดสุนทรภานคนฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาหนึ่งเลยพูดเดียวนี้เนี่ยในการสมสมอสอนให้ที่ที่ที่วัรรดจุนทรถานคุณลงมรียนนั่นไปสอนให้ที่วัรปสุนรภามกับผู้วาดผู้ว่าดราชกา ร, กรมุงนนไปสอนให้ขัดพูดกับข อ, ขอเก่งได้เก่ลอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ใส่ฟัง ถ้าเราพ่อพูดภาษาหนึ่งเลยเนรับ ล, ลองเจียวทีเดียวเจียวทีเดูแต่อพวกท่านฟังไม่เต็มเพราะฟังเขานฟังภาษาหนึ่งเลยนับรองวะไม่พลาดเดี๋ยวนี้ไม่พลาดนะคำพูดนี่ยพาดตัวนสือแล้วพวกเขาจะฟังดูที่มันฟังพลาดควรรู้คันต้ตนรู้ลึกน้ำแก้ทุกทางใจอย่างไม่ไดแก้ได้คือไม่ได้ผีไม่ไว่าเทวดาไม่เสื้อลืดน้ำยามดี ไม่เชื่อขถาบุนไม่เชื่อจริงๆอันนี้รับรองได้ตอนเย็นมายลบพ อ, อ น, นู่สมาูรอ์พินรับรองได้นี่อันนั้นมันเป็นกะทีมันเป็นขเป็นฟางอั น, น, นะนะเอามาใช้ไหมวันนี้พอดีเห็นเขเก็บอ๋อมาอยู่ที่ตรงนี้เองรับรองได้ละ่ะาออนี่นักออเตอร์นี้ไปเรียกว่าปฐมมาจาร์ปฐมย้อนเริ่มแรกที่สุดจิตใจคนเปลี่ยนจากสภาพหนักมาเป็นเบาเปลี่ยนจากสภาพ มืดมาเป็นสว่างเปลี่ยนจักรพรรดงู่มาเป็นสลาเปลี่ยนจกากรพรรดิไม่รู้มารู้อันนี้ดอกเป็นพระุยมคนขั้นต้นดากสมมาตาจามได้นั้นดีน จ, จริงๆเรื่องนี้ขั้นที่สองขวมยึดมั่นถือมันจากหายไปแปลว่าทุติเนตานขั้นที่สามสิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นต้องรู้จริงๆเสียงจวิวละสาผลไม่ใช่ผลประักสาเสียง ตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาจนมาถึงว่้เป็นลมไม่รู้เมื่อคั้นที่สาเนี่ย ส, สินรักษาคนเนี่ยเป็นอะไรมาดูขั้นที่สีรู้จากเรื่องควาสมสงบสอประเทศสงบสมถะสมัชานะสงบแบบไม่รู้สงบอิปัสสนานี่มันแจ้งขาวจัดเก็บได้เรื่องนรกสวรรค์รู้จริงๆพอดีรู้วจุกนี้เขาเรียกว่าสิ่งจุดแรนเนี่ย ปฐมสานทุกสิงงกงตางปฏิยักันอยากตัวทัศน์เดีรวมตัวกเขามารู้ทั้งหมดเลยรู้จริงจริงยุ่งยากขยายตัวพัทงทลายไปทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดียวนี้เขา้าใจเราไมรู้แต่เดียดนี้ยังไม่รู้คนยังไม่ถ่ามันไม่รู้ถ้าจะพูดอย่างนี้เกาใช้เวลานานนะอยากให้พวกเราไปตั้งใจทำกันบ้างตั้งใจจริงๆนั่งอยู่นี้ก็ต้องเคลื่อนไหวฟังบ้าง บางที จ, งจะตใจมันคิดแย่ก็โอเคคิดแล้วรู้จักจับ จ, จุดเนี่ยมันได้มันคิดแยบบ่อยากเข้าไปในความคิดตัดควาคิดทีันทีมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแวบบ่พอดีมันรู้ควมคิดขึ้นมาเลยรู้จริงๆควาคิดมันจะเร็เ ว, เเวเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสติมันก็จะเร็วเข้าเร็วเข้าเหมือนกับนักมวยนักมวยขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้ครูแล้งอ้าเข้าไปซกเลยซกหุนตาเลยซกหนุนตาพอดีติดตาม คู่ต่อสู้มันจะโล่นทันทีเลยอันนี้เขาเหมือนกันคนคิดมันจะคิดมาแล้วเพว่ามันไม่จะคิดปุ๊บมันจะเข้าใจทันทีครมคิดจะถูกหยุดสมัครทันทีเพราะคูต่อสู้มันเองก็เป็นแสนเปี้ยนเน่ยอะไรแซนเปี้ยนเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้น่ะไม่ต้องอยากใครจะพูดยังไงก็ได้เขาบอกเขียนเอาซื้อก็เขียนทําการอย่างนั้นทำไปตามน้ยามที่ยะคนรู้ว่าทำมาอันนี้เนี่ยเป็นครู่ลงเงินก็ได้ เป็นพอ่อเป็นแม่กันได้หรือเป็นข้าราชการท่านนีเป็นผู้ให ญ, ญ่า้น ก, กันนั้นได้เท่านั้นเป็นตำรวจทหารได้ทันนั้นได้เพราะทำการทำงานตามหน้าที่ความทุกอย่าไม่มีเมื่อเมืองไทยไม่มีทุกขแลว้ลวมีแต่ควมเจริญคกล้าว่น้าทำไมจึงไม่มีดอกไม้เมืองไทยข อ, องดลองดูถ้ามีความเจริญความกล้าหน้าอย่างนี้ยเข้าใจว่ารับรองว่าทุกคนมาสมจริ ง, รงทุกศาสตร์ภาษาเดียวนี้เนี่ย ท, ที่พูดให้ฟังไม่ใช่อู้ไม่ใช่ปูยนั่นนี่อย่างที่ธรรมาเนี่ยเขียนเขาซื้อไม่เป็นพูดภาษาเขาไม่ได้เขาอยาจ้างไปพูดให้เขาฟังมีร่างแ ต, แ, ตแต่ให้ฟังเสียเลยเขาคนไทยแท้ๆพูดให้ฟังธรรมะไม่ฟังเพราะเรื่องอะไรนี่แหละคนหนึ่งโอ้โหพูดปกติให้ฟังไม่ต้องการจําเป็นแล้วก็ออดีเหมือนกันแล้วก็ฟังดูธรระเองที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยพวกท่านเนี่ยพูดภาษาก็ได้ อะไรได้เท่านั้นลองลองทําดูที่ถ้ า, ามันไม่เป็นยานคำพูดเนี่ยเขาอาตมาไปที่งอยู่นี่ได้จริงจริงรับลองจริงจริงขอใครฆ่ามาจากมือกันได้สามปีใครฆ่ามาจับมือกันได้สามปีถ้าเดินเดินทําบาทเนะ่สามปีจะคิดให้เลยถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลยแต่วว่ากลัวจะยันมาได้ของอาตมาไปกลัวจ ะ, จะมาให้ตอนนั้นเอกงรับลองจริงจริงตัวของ หลวงพอเนี่ยปฏิบัติสามเดือนนั่นเองแต่ไม่เกินสิบวันอนะจุจริงๆเรื่องนี้แต่เป็นคนจริงซะด้วยนะเคยสอนมาแนี่เด็กน้อยเนี่ยไม่ถึงสาสิบวันคนมีอนุอย่างมากไม่เกินสามเดือนนัก ล, ลองสอนมาแล้วนี่รู้เพียงแต่ให้จิตใจเตื่อนจากสภาพเดินเท่านี้นะแต่แม่ถึงที่สถูพกพ่อข้าแล้วไปด้วยนะไม่ต่องพูดเพียงแต่ไม่โกรธไม่ต้องไม่หลัวเก่าเนี่ย น, นี้ก็พอแล้วจินข้าวสบายแค่นี้ไม่ต้องว่าที่เป็นอะไรนะ เอาแค่นี้กดใส่ได้เอาใครกล้ามาสามปีพูดกันเลยเงินเดือนอาจารยเท่าไหร่สามพันบาทเอาถึงสามปีจะคิดให้เลยเรือหมือนบาทถือสามปีจะคิดให้เลยจริงๆเรื่องเนี้จริงๆแต่ว่าไม่มีคนกล้ามาจาับมืออย่างนี้เอาแบมือใครจะมาจับมาจับได้เอาเลยไม่มีคนกล้ามาจับนี่เขาบอกพูดดีแต่ปากฟ้าลอยสอนเขาอื่น ไ็รับคำทำออร์มาทำรับยองได้ไมาอยู่ใกล้ๆไม่ใช่จะมานั่งี่แค่นี้ไม่ใช่แค่นั้นนมาอยู่ใกล้ๆสละเวลาการงานไม่ต้องถัก ไม่ต้องทำาดนั้สละเวลาต้องสร้างเจสติเขานี่อีกสามปีถ้ามาติด ต, ต่อกันเมนุนย์กโซ่เงินเดูเนหมูทร่บอกมาเลยสองคัเอารับรอจากใครเดรับสองคันทำหนึ 3, ่งสามปีทุกวันทุกวันจริงๆรมันจะคิดให้เลยตั้งตาเดือเดือมาจากมงินไว้กันได้ <laughs> <laughs> จะให้เลย <laughs> ให้จริงจริงทำจริงๆมันไม่ขึ้นกับบัลล มันคนบางคนอย่างที่ลุงพ่ออธิบายประชาผมก็เห็นแล้วพี่ชาหลุงพ่อทื่ว่าสอนท่าไหร่ก็ไม่เอาคือเขาไม่เห็นเองเพราะว่าอาจจะบา ร, รมีเขาไม่ถึงบางคนเราก็อาจจะมองไม่เห็นที่ลุเพราะว่าสามปีก็อาจจะไม่ได้อะไรจริงเลยนะนับรองรว่าไม่ผ่านสามปีนี่ไม่ผ่านจริงจริงอันนั้นคนนั้นเขาเป็นพี่สายเขาไม่เชื่อเลยเขาไม่ทํามันเลยเขาบอกว่ามึงอย่ามาพูดกูฟังมึงเกิดบุญกู กทีู่มึงเกิที่หลังกูกูให้เข้ามจริงมึงจะมาสอนกูเขากระจัญเต็มที่ตายเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อฟังบอกให้ทคำมือรู้ติขู่ําเนี่ยกูก็รู้ติมึงจะมาสอนกูทํำไมอ่ะอีกอย่างหนที่ผมฟังเมื่อเช้าคือหลวงบอกเาื่อที้ก็พูดว่าถ้ามันคิดอยู่พอสติมันมาปุ๊บมันจะตัดมันจะตัดทันที แต่ลุงพ่อในขณะเดียวกันหลุงพ่อก็บอกให้ตามรู้สิ่งที่คิด ม, มันก็ไม่มีการตัดสิตามรู้อยู่ตลอดไม่ต้งตามหลังตลอดไม่จะไปตัดอะไรอย่ะมันเข้าไปในคนคิดออคือให้มันคิดอย่าไปห้ามคนคิดเหมือนนักมวยขึ้นไปคู่ต่อสู้ไม่มีใครต่อสู้มันจะรู้ซกทํำไมเป็นเรียนมาจนจบแล้วคู่ต่อสู้ไม่มีมนจะซกผีคือเป็นเรียนที่ไม่ต้องไม่ต้องเรียนกับครูเลยยืน เอาผู้ต้องสู้มาแล้วซดลุ่มตาทีเดียวเนี่ยอันนี้ถ้ามันคิดมันคิดขึ้นมามันจะปุ๊บทันทีเลยที่แรกนักมวยโคตรสุ้มันแบบแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอาอย่างที่เดียวจับหนูเนี่ยมันจับแล้วก็ลากไปออกจับให้เข้าแมวกินแมวจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วหนูมาจับปุกตายทันทีงัดมวยก็เหมือนกันที่แรกขึ้นในเวทีมต้องไหว้ครูหันหน้าไปที่นั้นหันหน้าไปที่นี่ไหว้ครู ผลซกเข้าไประแพรบ้างระมัดบ้างวันนี้ไม่ต้องไหวคู่กันเนี่ยขึ้นไปเฉยไม่ต้องไหวคู่ที่ใต้ที่นี่คอยดูจะคู่ต่อสู้มาเขาซกมีบางทีเนี่ยเอาแบบนี้แต่ให้มันมีคู่ต่อสู้รู้ไหนคู่ต่อสู้เจยซกได้ทำไมมัยเอาซกรวมๆนั่นแหละก็ไม่ได้เลือกจะไปห้ามไม่ให้มันคิดมันห้ามไม่ได้ให้มันคิดมันยิ่งคิดเราจึงรู้เสีว่าถามเขคิดเนี่ยให้รู้ว่ามันคิดให้รู้ว่ามันคิดมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะตามไปทีแรก พอเดี them, ๋ยวมันคิดคนคิดจะตั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าพอนี้คิดปุ๊บมันอยากรู้ทันทีเหมือนวิธีบวกกับลบลบออกลกออกมันจะเหลือแค่ตัวตัวเท่าตัวนะศูนย์ไปศูนย์ไปเท่านั้นเองว่าจะให้ตัดนะไม่รู้ไม่รู้จะว่าตัดก็ไจะลบก็ได้เลยไปทำสมมติพูดนี่ทีแรกที่พูดให้ฟังเนรู้เรื่องรูปนาเนี่ยคนคิดมันจะยืดยาวไปเลยมันดีใจยืดยาวไปรู้ไป ใช้ดินมันจะรู้มีเม็ดหินเม็ดไสมันจะรู้ไปจากนั้นแหละมันรู้ไปท่วงพอดีมาเห็นเขาบบคิดปุ๊บผมคิดแต่ไส้ั้นเข้าสั้นเข้าซะตัวนี้เนี่ยทาให้เปลี่ยนภาพไม่ใช่ภาพอันนี้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอนั้นผะาอันนั้นานานจะรู้ที่ตรงนี้พอดีทําเข้าไปเห็นเขาคิดตัดหินงปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุด๊บแ ต, ต่มันจะสั้นเขา้าซะจิตใจเราเปรีออกสภาพเดิมเลย มันจะเบาใจเท่านั้นโผเป็นพระในตัวนั้นพอมืดมันหายไปแล้วเพราะเห็นความคิดเนี่มันเพราะที่เราคิดกปเห็นรู้เท่าทันทีเนี่คนเป็นพระมันไม่ยากง่ายใจเดียวก็เป็นได้นี่ฟังแล้วเข้าใจทันทีนี่แหละพระเดียกับคนขั้นต้นที่สุดเดียวพระโสดาบันได้กระแสพระนิท า, านกระแสพระนิทานก็คือตรงนี้ เ, เห็นความคิดเออเนี่เองมันก็นรู้อะไเนี่ยพระโสดาบัน ถ้าคสวัสดามากไปว่าคอยเอาสติมาดูจิตเนี่ยมากไปว่าข้อปฏิบัติเพื่อถึงที่สูงความทุกข์ตำาพูดไม่อยากพูดเลยลบ้าเอาไว้อาจารย์ไหนเอาเถอะไม่เอาละไม่านี่ยแต่คำพูดเราเต้องพูดเอาสติมาดูจิตเนี่คอยดูมาอยู่เนี่ยไปไหนมาไหนไม่ต้องมักก็ได้นนี้อันมากเราไปว่าข้อปฏิบัติเพื่อจะคุณจะกทุกข์คล้ายๆ ค, คือเราจะเป็นเคร่งอยงย า, านิการเลยที่ชอบแลี้ยงคนเราดีเอาให้เขาเนี่ยเท่านั้นเอง หรือดูตรงคิดมันเป็นคำพูดแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้พระที่สอนเําไม่ได้พูดอย่างนี้ที่ที่สอนเนี่ยจะว่าอะไรก็ได้มักเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เฉที่สถดกมักคือดูจิต ด, ดูใจเมื่อใจเราคิดมาอยู่กับวามเคลื่อนไหวเนี่ยที่สุด ข, ของทุกทุกข์คนคิดเราจะดูที่หน่อยพอดีเห็นนี่ปุ๊บจิตใจมันจะคโกรธมันจะไม่มี ความรุ่งมันจะไม่เกิดขึ้นคมลงมันจะลดน้อยไปลดน้อยไปนี่เลยวามรคนของมันคือมันไม่โกงเนี่ยเขาใจอย่างนี้โสดามรโสดาคนสี่คู่แ่ดูบุญยังอยู่นี่พอดีดูไปสร้างไปความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนะขั้นที่สองมันจะลดไปขั้นที่สามสิ่งปกติขั้นที่สี่รู้เรื่องสมถะกรรมฐานสงบแดกนั้นจะงกใต้โมหะสงบในร่ำ พอเยื่อท่านนั่งสงบอย่างเนี้ยพอดีจุดไฟขึ้นไฟอยู่ข้างหน้ามืดมาข้างหลังเนี่ยอไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าเพราะเราอยู่ที่มืดมืดมันอยู่ในมือเรานี่เองดังนั้นสมาธาิรมาธิจิวิสตุกอยู่ในขดสงบเพราะมันเีมืดอยู่ในมือเรานี้ไฟดับเดินไปไหนมาไหนเน่ถ้าเดินมาตกเห็นว่าตายเลยเราออกจากถ้ามาอยู่ที่แจ้งแจ้งเนี่ยมองดูไปทุกภาพอย่างนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เราจะไปเข้าในทํามันสมมุติว่าในท่ามก็คือกันอยากเข้าไปในคนสมงบพันนั้นว่าอย่างนี้ก็ได้แต่มันพูดไม่เป็นเพราะมันไม่มีตัวจับมาให้ดูไม่ไม่เป็นเพียงพูดให้ฟังเท่านั้นน่ะมีความสงสัยต้องทําเองมันเกิดขึ้นมาคนที่รู้น่ะจะไปสอนจะจะแก้ปัญหาให้จวกพระแต่ ผ, ผู้สอนขนพระแต่ ผ, ผู้สอนอันนี้พระอันนี้พระโดยสมมุติ คนไม่สอนคนนั่นเป็นพระสอนวิธีดับทุกทางใจพระจี่าเป็นผู้สอนพระจี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นครูสอนครัคูโรงเรียนครูโรงเรียนสอนเด็กน่ยมันเด็ครูสอนพระกับครูอันเดียวกันที่เราให้ฟังจริงวะไม่ยากที่ที่คิดว่ามันไม่ยากเนี่ยเพราะว่าตัวเองทํามาแล้วนี่ไม่ต้องอาศัยบารามีนะบารามีเนี่ยไม่ต้องพูดมันเลย ฐานะเดียบพร้อมมีน้เพียงทำเดียวว่าบุญวาสนาการละมีลาไม่ถึงก็ขี้เกียจที่มีเท่าน้ <Bee> ไม่สนใจจะถึงไรนะถึงไม่ได้เนี่ยเอาเข้าไปให้กินนะเอากินแม่อ้าปากมันปิดจะกินได้ทางไง เ, เอาอาหารข้าในปากก็ไม่กินมันจะปิดมันจะปิด เ, เอาพูดให้ฟังเอาสามาธิอุ้หูวไว้มันจะเข้าไปในตับเนี่ยประณามันจะที่ตรงนี้เราเปิด อย่าไปสนใจเรื่องปรารถนาอะไรนะสนใจเรื่องผวามคิดมันทุกอยู่ที่นี้ยินรับรองว่ามันรู้จริงๆแล้วหนูเอาไม้สามปีอ ะ, อะจริงๆนะเรื่องสองพันบาทนะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่เรน่องนี้นะเริ่มต้นไม่ต้องกลับบ้านเลยนะี่ยสู้จริงๆเนี่ยรับรองว่บาบาันทึกไว้วันเดือนปีบันทึกไว้วันนี้เป็นวันที่ยี่ยี่สิบสองมกราคมสองพันร้อยี่สิบหก ตรงเดือนสามคืนเข้าค่ำบันเสาจัดเลยนะเชื้อยังไงหนูเชื่ออเนาะแก้วแก้วแก้วขวัญแก้วขวนเอนววน อ, อดีอ 2, แล้วเพื่อจะให้ให้ให้ท่าดีวนจันทร์เดือนนะะี <laughs> เ้เดือนนี้ไม่ถึงสองพันนะทำปลายเดือนนะครับเดือนนี้ไม่ถึงสองพันทปลายเดือนเงี่ยหวัง มีหวางจะได้เงินสองพันไหมหอบลองจริงๆงัดรองว่าไม่เกินสามปีเจ็งๆอ่ะคงโกดิบรู้จกหายไปเลยมันจะหนีไปเลยมไม่เข้าเกินตอนนี้ยังอยู่ที่คุณพ่อเราเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องมีครอบคัวมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องไอ้การที่จะเอาสละเวลามาอยู่ตั้งสามปี น, ออนี่คงยากตอนนี้คุณพ่อจะมีอะไรจะแนะนำไหมว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตแบบทุกทีอยู่กับพวก การมาลงอะไรทั้งนี้จะช่วยได้อย่างไรบ้างเรืองนี้มันเป็นของพยาธิเพราะเราทําการทํางานเราทําการทํางานจะห้ามไม่ให้คนอื่นพูดไม่ได้เราต้องดูใจเราคนอื่นพูดเข้ามาปุ๊บเราเรีบมาดูใจเราอย่าไปฟังนั้นมากเพีเยงแต่จำความหมายเขาได้อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วหูฟังหลวงพ่อแล้วมีสติเข้ามาดูตัวของเราเองดูเป็นแม่ยรี่ดูตัวเราแล้วหูฟังหลวงพ่อพูดเนี่ย อันนี้ไปทําการทํางานอยู่กับบ้านกับเรือนล้างถ้วยล้างจานหรือเป็นขา้าราชการเขียนหนังสือมือเขียนหนังสือแับ น, นี้คนอื่นพูดให้เรามือกเขียนหนังสือหูฟังสติมันจะอยู่กับเรามันได้ยินไม่ใช่ว่าสติหมกเทศอยู่ที่นี่ทางเวรไม่ฟังคนท่านพูดไม่ดูคนท่านเดินมาอัง น, นั้นมันเรียกว่าอะไรไม่ทราบถ้าจะพูดจะต้องการหนักๆไปอย่าค่พูดอย่างนี้อย่าคอยพูดคนตายแล้วมันกินข้าให้เต็ม น, นะ้ ไม่ต้องไปสอนมาอย่างนั้นนะ เ, เราต้องฟังเป็นพอดีคนอื่นพูดแล้วเราดูใจเราฟังเอ อ, ขอเขาพูดอย่างนั้นเอ้าดีๆนะคอยดูใจเมื่ออิสติอยู่นี่แล้วมันจะไม่โกงมันจะไม่โกงจริงๆเมื่อไม่โกงเราท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำงานทางานอะไรก็ได้ย่าช่วยจะเป็นซักผ้าก็เป็นเนี่ยเขียนหนังสือก็เป็นไปจับผู้ต้องหาก็ได้ตารวจเนี่ยถ้าหาเนี่ยป้องกานประเทศก็ได้ทางานตามหน้าที่ของเรา เขาใจอาง น, นอยดูไปที่อยๆเนี่ยเดินไปถ้ามันขึ้นรถเมย์กะต้องจับอย่างนี้บ้างกำมือเหยียดมือบ้างเกาข้างเขาขขนี่อยากไปนั่งนิ่งๆอย่างนี้ยมันได้ทุนยอดีมันสงบโดยไม่เห็นบางที่เอาของไปขายเขาเอาไปหมดแล้วของขายไปแล้วขาดทุนแล้วลนี่มองอยู่ตรงนี้เอาของไปขายคืออย่าไปเอาของฉันนะอยไปขายในตลาดนั้นเนี่ยราคาทรานั้นเขาเนะะี่ยถามได้อย่างเนี้ยแล้วก็ทําคนรู้สึกเรื่อยพอเดียวมาคิดปุ๊บ เอาแม็กสิบบาทนี่ดันซื้อมายี่สิบบาทแล้วเนี่ยแต่คงจริงซื้อสิบ้าบาทสบ า, าได้เอาแคืนเราเถอะยี่สิบบาทขอให้ได้นะเราขอเตัดสินใจให้เพื่อนกันนั่นย่างไเนี่ยได้เหมือนกันได้เหมือนห้าบาทเดียบายนี่ไม่นเอง่ให้เรื่องเราซื้อสิบห้าบาทขายยี่สิบบาทก็ไรห้าบาทล้วแทนคืนเยขากุ้งขารถแล็บเนี้ยขารถเมล์ุ้งแล้วไอ้ทีหน่าก็พูดอย่างนันเรื่อย จะไปพูดเรื่องสินเรื่องอะไรทั้งหมดมันต้องพูดให้เสินรักษาคนรักษาศินเนี่ยใครจะรู้ปลาหน้าห้าแม่ฆ่าสัตว์อาชินานะรักของเขาการเมรุพื้ผิดมูสาใม่โกหกสุราไม่คิดได้ดยนั่นพูดจนตายพูดจนตายไม่รู้แม่ฆ่าสัตวสัตว์นั้นคือว่าพวกคนมันต้องอิจฉาฆ่าสัตว์อย่างที่สัตว์จากเป็นของจริง อย่าไปฆ่าห้มันตายมรรคผลนิพพานมันมีอยู่ในเนื้อวุ่นเนี่ยนี่ฆ่าสัตว์อันนี้แกสัตว์อันนั้นคือพวกคนป่าเขาไปรัดขึ้นมาไม่ต้องพูดกันได้เรื่องนี้พอเราให้สัตว์ ส, สิ้สี่สิ้นคนป่ามีสี่ข้อไม่มีสิห้าเนี่ยพอคุณเราให้สัตอาธินาแม่นักของเขาอย่าไปจําตำราอย่าไปพูดมากเรื่องตำราตำราวันนี้การไม่ประพฤติผิดคือไม่คมเห็นติณนายเขา คือไม่ค่มไม่ค่มขืนใครทั้งนะั้นให้มันพอดีพอดีคือวะไถ้าไม่เป็นของเราอย่าไปเอาถ้าเป็นของเราเขาเอาไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอย่างนั้นสมมุติเขามีมีอาหารดีๆสักข้วยหนึ่งพอดีเราไปถึงเขายกให้เขากินไนมะ่อาหารเนี่ยกินไม่กินไม่ได้ไม่กินฟิดเขาเป็นอย่างนั้นเราต้องกินรู้จักประมาณโภสเนมัสการยาโยธาโภสเนมัสการยาโธาารยธาอันนี้โยธาขบับกินไม่ได้ ให้รู้จักกินให้รู้จักพอมให้รู้จักก็ว่าได้โมกษาไม่โกหกไม่หลอกลวงพูดตรงไปตรงมายิ้กแต่จะริงจริงจริงสลราไม่ดื่มไม่เมาอันนั้นพูดแต่โกจกิ้มม น, นิดเดียว น, นั่นเองคือจะฆ่าตัวเองให้ตายไปเพี่เนี่ยที่ว่ามันไม่เข้าใจเลยอันนี้เข้าใจเมื่ออายุสี่สิบกปีว่านี่ที่ว่าไต้องรักษาสินน้นแล้วถ้ามีสิ้นมารักษาเ อ, อาเองจะดังเอง เราต้องเข้าใจคำว่านักหนาศีลเนี่ยทุกคนนักหนาศีนมาตัวของอาตมานักหนเศินมาตั้งแต่เมื่อเป็นนุ่มไปไหนมานะก็ต้องระมัดระวังกลัวผิดศีลยิงยิ่งกลัวเขายิ่งผิดไปมากยิ่งกลัวเขายิงผิดไปมากจริงๆเรื่องนี้เป็นโอเรื่องเล็กน้อยยัง่เข้าใจที่พูดในสั่งนี้ใครทำได้เดี๋ยวนี้เี่ยเรดูใจของเราทําได้ไหมเดี๋ยวนี้มีสติ ยกมือขึ้นยกมือขึ้นอย่างนี้ใครรู้เลยนี่ยรู้จิตใจเราสบายอย่งนี้ใครรู้อันยกมือสูงๆนี่เนี่ยต้องทำได้ทุกคนเลยเพราะมันมีแล้วเนี่ยดูอย่างนี้แหละดูใจแล้นี่มันดูอย่างนี้แหละไปเขียนหนังสือก็ดูอย่างนี้แหละดูเขียนหนังสือก็เป็นเนี่ยกินข้าวกันเนี่ยกระดูอย่างนี้แหละดูไปหมดจากคิดพวกนั้นโอ้ที่ตรงนี้เองมันจะรู้ทันทีเลยรู้แล้วมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับที่เรา เอาขนน้ำไม้ไปวางในดินที่มันสุม้มนี่นานนานพืชมันจะงวอกออกมาจริงจิเราไม่ไดออกเลพราะเวันนี้แจะงอกมาวันนี้มันไม่ได้ดัง น, นั้นเข้าใจกนะันมอย่างที่หนูจะมาจริงจริเนี่ยเอารับรองสามปีนี้ไม่พลาดเลยไม่พลาดจริงจิงแต่ว่าพวกนี้อาจจะนานไปสามปีเขาจะไปทําวันหนึ่งจะได้สู่วโมงเดียวหรือวันหนึ่งจะได้ห้านาทีหรือสองนาทีก็ยังดีหนูอยู่เนี่ยวันหนึ่งสิบสองสู้วงอย่างน้อยต้อง ได้6ชั่วโมงเอาบัดนี้วันหนึ่ง12ชั่วโมงอย่างน้อยมันจะได้10ชั่วโมงมันจะลดไปบัดนี้วันหนึ่ง12มันจะได้12ชั่วโมงเป็นเปี้ยเลยจริงจะมาทำจริงๆริงในนักเราไม่พลาดจะฆ่ากับนักฆ่ามากกมาไม่เป็นนไรจะเป็นนักพู้นนักจี้มาจากมาเคยสอนมาแล้วหนึ่งนี้เคยสอนมาเป็นจำนวนมากแล้วคนเนี้ยเคยฆ่าคนมาแล้วเรื่องฆ่าคนในเรื่องเรื่อง เรื่องจะจริญสติอีกเรื่องหนึ่งคป็นคนละเรื่องกันมีผู้คนจริงให้ฟังด้วยสมัยหนึ่งเมืองลาวกับเมืองไทยเป็นสงครามกันวันนี้สงครามเขาเรียกสงครามจีนอันนี้ผู้คนจริงให้ฟังเมืองลาวมันใกล้กับบ้านเราทมาเขามีมีขวายมากวันนี้พวกเรามันดีกว่ามีอนนานาจก็เอาปืนเอาอะไรไปฆ่าคนตรงนั้นต า, ตายหมดเลยตายแล้ ว, ออวขวเยก็ฆ่ามา วันนี้เขาคนนั่นเป็นลูกลูกเขาเป็นลงุงเป็นแม่น้อยเนี่ยไม่ตายพ่อแม่ตายไปเด็กคนนั้นก็ไม่ตามันก็เจ็บเจ็บในใจมันนะเอค่าพ่อคู่ค่าแม่คู่ออกวยคู่ไปแบบมันนั่นตาไหลเยอย่ให้เตเลยในค่าวนั้นดูมันอายุเนี่ยเจ็บแปดปีเด็กน้อนจังได้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็แก้แทนเลยดว่มันพูดให้ควาว่ามันฆ่าไปเจ็บศพเลยนะั่นบ ฆ่าเจ็บศพเลยเพราะมันล้างแค้นฆ่าพ่อผมฆ่าบันนี้มันมาปฏิบัติธรรมะมันก็รู้แต่ว่าปฏิจจมาโทษนะมันคิดว่าแค่ดินยะกินมันทีเดียวลุกขึ้นอย่างนี้เลยเทศจังจะอย่างนี้แหละมันมันว่าแค่ดินญะเดี๋นี้มันจะเอามันไปกินนะท่นพูดเนี่ยพอเข้าใจทำอะไรบ้าอะไรเนี่ยเ่ดินกําลังดินญะออกเถอะเออแค่ดินยะเดินตาดีดรู้เนี่ย อ๋อบันไดผมไม่ได้ดูที่ดินผมนูมไปพุ่นม่ได้ดูที่มันออกนอกตัวไปแกนี้อุปสรรคเลยมันเพราะมันไปคิดไปยึดไปถือในตำนักตำลาอยากเข้าใจกังไงเขาํามาเอาไว้แต่ไม่ใช่สอนฆ่าคนนะเนี่ยไม่ใช่อนฆ่าเมื่อไปพบอันนี้แหละมันจะรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตเหมือนกันกับเรามันจะไม่เบียดเบียนคนนั้นไม่เบียดเบียนคนนี้ไม่เอาเปรียบใครเลยทําการทำงานแต่ฐาน้าที่เท่านั้นเอง ที่พวกนีก็พอๆแล้วนี่ที่ว่าคงจะจำได้นะทำอย่างนี้แหละมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเดินจงกรมให้มากนั่งเมื่อคือนนะ่ะทำอย่างนี้อยู่ในบ้านนอนมันก็ต้องอา่าวิธีนอนทำให้ดูนะนิดเดียวไม่ใช่จะทาวิธีนะจะจ ะ, จะนอนให้ดูทำทาจังหวะ ไม่ใช่จะทําจังหวะนอนนะัะคือมันไม่ได้ไไทําอย่างนี้ในละทีใละทีทำอย่นี้นอนนะให้จังหวะนอนอย่างนี้เนี่ยหลับแล้วก็แล้วไป <c oughs> ไม่ให้มันมีซ่องว่างให้มันติดกันเหมือนลูกโซ่ถ้ามันค้างอยู่บนก็ลําบากเลยกได้ค <c oughs> ้างก็แล้วไปมันหลับแล้วก็แล้วอยู่ เมื่อมันไม่มีสติก็แล้วไปมันอย่างนี้พอดีมันรู้สึกเอามันมาเลยพอดีเอาไปนี้มันลืมมันเอาไปนี้พอดีมันคิดได้มาออกมานี่เลยว่าแต่มันคิดได้ยามใดทํำยามนันเลยไม่ปล่อยทิ้งเลยหายใจทิ้งไม่ออกเออเมื่อวานนี่แหละนอนตะแคงฮะอันนี้ท่านมอนคนเยอะคงได้เพราะจะต๋อคนทักยุ่งเนี่ยนอนคนก็หันหลังให้กรร จริงเลยเนี่ยก็คือพิชเกลเลยนะยัยน น, ยยนี้ก็ทํา อ, อย่างนี้ก็ได้เรู้อย่างนี้เรื่อยๆรู้จะทําอย่างนี้ก็ได้เลยรู้พุ้วก็มาทํำยันนี้ก็ได้เลยรู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่าเยวให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่กันอย่างเดียให้มันมุนได้ชั่วโมงเดียวก็ยังดีนะห้านาทีก็ยังดีนะเนี่ย ให้มันติดต่ต อ, อกันเข้าใปแล้วมันจะไปหยุดได้มา่อไหร่ต่างหยุดได้เต็มเมื่อเราเข้าใจแล้วทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันเป็นอัตโนมันนนมติแล้ว น, น, นั้นเองไม่มีเรื่องตอนตอนที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันวุบเป็นหรือว่าค่อยๆเป็นอย่างที่คุณพ่อว่าตกกระแสหรือว่าอายุสี่สิบปุบเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเนี่ยลุงพ่อบุกขึ้นมาแล้วเข้าใจมันทันทีเลยหรือว่าทันทีหรือว่าค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆหรน้อะเอาสมมติให้ฟังเอาข้อมาที่นี่เลยเอาข้อมาจะ ตามให้ดูเอาอะไรเหครับเอามีมีอันใดอันใดมางวมังนี้ก็ได้ไหมกาเอาอะไรนะก็ได้อระไรบ้ีอะไรอันนึอันนาไที่นเอาขอที่มาหงวมกันอย่านี้เนี่ยมาเนี่มีมีขายหรอมีอะไรหงวมกันนึงจะทาให้ดูเอออยู่ด้วกันเลร เอามาให้ม ง, งอยบอันนี้ไม่ให้มาเห็นเอา ม, มาให้พรมนี่ปาด้วยเรามาไม่ใป๋าด้วยนะป๋ามันพลาดวันนี้มันเป็นอย่างนี้